ฟังธรรมเพื่อให้เป็นส่วนประกอบการฝึกตนสอนตนให้มีแรงเสริมแนวร่วมเพื่อความเฉลิมแสงของการฝึกเพื่อให้ชีวิต ใจของเราไล้หลุดพ้นโดยช่วยกันก็มีส่วนร่วมกับทุกคนทุกชีวิตในการปฏิบัติธรรมเพราะชีวิตทวกเราก็เหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าเวลาใดที่ท่านเกิด สิ่งอาการเกิดขึ้นท่านคนหนึ่งเดียวเราก็ต้องให้ได้ยินได้ฟังเอาไวเพื่อจะมาช่วยเป็นแรงเสริมเกิดขึ้นแม่เราคนเดียวก็เหมือนกับว่ามีมิตรมาช่วยมีพระธรรมมาช่วยมีพระพุทธเจ้ามาช่วยมีพระสงฆ์มาช่วยมีธรรมช่วย พุทธเจ้าเคยตรัสไว้พราะสัจจาก็ดูเฉพาะหน้าน <Yeah, ี่เองเวลาใดเรามีปัญหาเวลาใดเรามีความทุกข์จนมาก็ให้คิดถึงหัวโอ้พุทธเจ้าก็อยู่เฉพาะหน้านี่แล้วเหมือนกับเรานั cool ่งอยู่เฉพาะตรงหน้าพระพักของพระองค์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว เราก็ถ้ามีธรรมพอจะสอนให้ยามรับว่าบุคลในคนลูกมันก็ไม่เที่ยงเวนาก็ไม่เที่ยงสญญจก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงถ้าเป็นทุกข์ก็สังขารถ้าเป็นทุกข์ก็ทุก สิ่งใดมาเที่ยงสิงนั้นป็นทุกชิ่งได้ไปทุกสิ่งนั้นมาใช่ตัวตนชิ่งได้ไมาช่วยตัวตนไม่ควรถือว่าเราวอของเรามันเป็นภาระหนักหันเราเวปันจักขันดาไปยึดเอาสุขก็ทุกข์ว่าเป็นตัวเป็นตนหันเราาโลจากภะโลยึดทำํำไมเป็นสีหน้าตออมาจากหัวใจของเรา เป็นความยิ่งใหญ่จะพิอ่อนด้จะได้มาร้อนใจอ่อนเยอะก็ทุกคมเหง่เดือดรอนคิดก็เป็นทุกข์ถ้าอ่อนเด้เพียงแต่คิตก็เป็นทุกข์เพียงแต่คิตก็โกรธเพียงแต่คิดก็หลงให้ชื่นฉาญขึ้นมา บรลือเสียหนาตในใจของตัวเรานี่อะไรที่มันกทุกเป็นโทษต้องด่าตัวเองว่าเสียหนาตด่าตัวเองนะอาไอชาตหมาอาชาติคนตำซ้อมเลย ตาก็ใช่ผิดผหูก็ใช่ผิดผิดสมอกเล่นกใจก็ใช่ผิดไอชาติคนไม่มีอะไรดีนั้นอาดาวนว่าสีหนาดอย่าได้ร่อนใจในภายหลังทมที่เป็นอกศุศลนำไปจนโลก ต้องเข้มแขงธรรมที่เป็นกุศล น, นำไปสู่สุขติต้องขนส่งตัวเองธรรมและอาธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างทำไม่ได้อกุศลและธรรมมแต่ทุกข์จโทษคือความโกรธความโลภความหลงเป็นฝ่ายธรรมนั่ก็มีให้เห็นอยู่หลอยคนกเคยหลง หลายคนก็เคยโกรธหลายคนก็เคยทุกข์เคยโล้กนก็ต้องดูโดยยงให้ดีดูเลยให้มันคุ้มยกตนถอนตนลงมางมันเป็นอกุศลเมื่อเป็นอกุศลมีอยู่อย่างนี้อกุศลอื่นเที่ยงไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก็จเจริญมากขึนทับถมขวมดี ปิดบังกุศลธรรมปิดสวรรค์ปิดนิพพานไปัจเจกขวงการวเลลังได้รักษาขวงกานเอาไว้ตอนต้นที่เกิดกับตัวเรานี่ยมาฝึกก ร, รมฐานยกมือขึ้นลู่ศึกตัวช่วยกรรมฐานนับระไว้ให้ได้ฝึกเอาไว้ให้ได้เห็นตรงไหนที่มันไม่ดีจะได้ฝึกเข้าไปลู่สึกตัว ความรู้จักตัวเป็นสิ่งที่ล่างบางของอกุศลใช้ได้ทั้งหมดรุ้งก็รู้สุข ก, ก็รู้ทุกขก็รู้ก็เจรจญตายก็รู้มีค่าอะไรชีวิตเราถ้ามาใช่ไม่ถูกต้องก็จะไม่เจ่เจรินทุกข์เป็นโทษ เราม่รู้จักสอนเตือนเวลานี่วินาทีนี่จะได้ประโยชน์อะไรจากมีชีวิตมีกายมีใจมีรูปมีนามเพื่อให้มาทำความดีพัฒนายีวิตของเราศิกขาและธรรมเป็นเครื่องเรื่องชีวิตของผู้เราต้องลายเราจึงต้องฝึกหัดอย่าได้ล่อนใจ ไ, ได้ชีวิตส่วนที่เป็นต่อยอดางถ้าไม่ต่อยอดไม่รักษามันก็เกิดไม่ได้มีแต่จะพาไปในทางต่ำใช่กายใช่ใจผิดประเภทไปเลยถ้าไม่ฝึกหัดถ้าไม่ศึกษา แล้วพี่ดีก็ดื้อด้านหลงก็ดื้อด้านเฉยอยู่เหมือนเหมือนอะไรเช่ไฮะเฉยเหมือนหมาป่าหํไม่อา่านเขาเขาเปรียบเทียบกนโดเหมือนหมาไม่รู้จะกลายแล้ว สัตว์เลี้ชานั่ขวงขวางมาเอาไว้ถ้าม่เก็ดื้อด้านหลงก็ดื้อก็ด้านไม่รู้จักใจโกรธก็ไม่รู้จักใจดื้อด้านนขวาโกรธทุกข์ก็ไม่รู้จั ก, กายดื้อด้านเลยวางลุกหยาบพลา ย, วยวาคนหน้าด้านเราไปอวดกัน ผัวเมียอวดกันผัวอวดเมียมีอวดผัวเพื่อนอวดกันกูกูบึงมึงมันได้ไรมันยิ่งใหญ่หรือจริงตงนั้นนี่เถอะเป็นทุกเป็นทุกทำมาเคยการเดือดร้อนแตกเล่าสับวสชีกันตัวเราก็เดือดร้อนยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมที่สุดก็ไม่รู้อะไร เราจะมาหัดให้มาเริ่มต้นวิดาทีนี้สำคัญเวลาวินาทีนี้สำคัญกว่าปีหน้าสำคัญกว่าปีที่แล้วมาสำคัญกว่าเมื่อวานสำคัญกว่ารุ่งนี้วินานีวินาทีนี้อยู่กับเราเดี๋ยวนี้มีสติเดี๋ยวนี้มีสติปัญกาเดี๋ยวนี้ถอนถอวมาอะไรที่มันไม่ดี มันไปสุกถอนลมาลูกมันไปทุกข์ถนลมาลูกมันหลงถนลมาลูกมีแต่งานมันหลงเพื่อให้ความรู้มันทุกข์ก็จะให้เกิดความรู้มันสุกก็ให้เกิดความรู้มันหลงก็ให้เกิดความรู้มันสงบก็ให้เกิดความรู้มันผงสานก็ให้เกิดความรู้ผิดก็ให้เกิดความรู้ผูกก็ให้เกิดความรู้มันก็สนุกมันก็ทําอย่างนี้ หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเว้นหนึ่งเดียวเอตตะะฆะจิตที่มีเอตตะทะฆะไปโม่ไปใครเอตตะทะฆะโไปพระสารีบุตรหรือโม่พระโมัลลาหรือโม่ไปพระอดุท่าหรือโม่ไปพระอนุนหรือแปสิบรูปไปอยู่ที่รุ่นมูหรือวันต้องเป็นเรื่องของเราเนี่ยเอตตคะคือเรานี้หนึ่งละ มาด้อยจะเป็นดีเสมอมอผิดจะเป็นถูกเสมอมอทุกจะเป็นไม่ทุกเสมอเนี่ยต้องเป็นหนึ่งอย่างนเด็ดขาดมีความเด็ดขาดเข้มแข็งจะไม่เอากายมาเป็นทุกจะไม่โอากายมาเป็นทุกจะไม่เอาจิตเอาใจมาเป็นทุกจะไม่อ า, จ, าจิตเอาใจมาเป็นสุขเข้มแข็งขึ้นมาจะไม่เบียดเบียนตนเอง เข้มงขึนมาจาะไม่ไปเป็นคนอื่นเข้มแข็งขึ้นว่าเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ถ้ามีความเข้มแข็งเดี๋ยวนี้ก็ไปได้กกลไปก่อนหมูได้ไปก่อนคนอื่นเลยผู้ไม่ประมาทเปินอยู่ในพื้อพื้นหลับย่อมเลาะคนงูไปกาลความเข้มแข็งเหมือนเราปลูกแตง ใส่หลมเม็ด่อสเ ม, ม็ดสี่เม็ด3เม็ดเม็ดเม็ดแตงใส่พร้อมกันเวลาเท่ากันแต่ว่าเม็ดแตงบางเม็ดกระโดดได้กันเปิดขึ้นมานสูงจึ๊ดเกินเพื่อนเกินเขาอีก4โดน้นถ้าสมมติห้าเม็ดเป็นแตงหต้นต้นหนึ่งปล่อยสูงล่มลงมาวิ่งไปตามดิน อีกต้นสีต้นยังดินโง่ที่เดีวไม่ไปเลยที่สุดก็ไปไม่รดอดอ่อไม่พัฒนาซึ่งเป็นดินเพราะอากาศอาหารน้นนาดินเหมือนกันชีวิตเราก็มีรูปทำมีนามทาเหมือนกันมันจะเป็นยังไงเราก็รู้ ไม่มีใครไม่เห็นตัวเองก็งมีสติเหมือนกระสองงงนกระจกปฏิเสธไม่ได้มองสรกกระจ ก, กต้องเห็นตัวเองสติเหมือนเช่นนั่นหน้ารอบด้ารอบนี่ปฏิบัติได้จริงๆปฏิบัติธรรมเลยให้ผลได้จริงๆริไม่มีใครทำมาได้ แล้วคนอื่นช่วยไม่ได้เด็ดขาดอย่าไปอาศัยคนอื่นเพียงเอามาเป็นส่วนประกอบเอาบ้านสอนตัวเองได้ยินได้ฟังมากแล้วพวกเราเนี่ยรู้ว่าพระพุพะทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราทำบุญทำทานม า, มากไม่ขาดตัวบทพ้อง โอ้มาจากไหนหมาจากอยู่นี่มาจากที่มาจากทุกสารทิศบางทีก็น้องไอ้บางทีก็มากได้ ร, รู้ได้ยินได้ฟังบางคนบาพคนใด้ฟังเป็นลูกศิษย์อาจารย์นั่นเป็นลูกศิษย์อาจารย์นี้ล้วนแต่มีครูอาจารย์ลูกศิษย์ที่มีครูมีอาจารย์ลูกที่มีพ่อมีแม่ได้ศึกษาเรียนมาทางนั้น แหละเอามาศรตัวเองร้อยร้อยร้อยแรงเสริมเข้าไปร้อยแรงเสริมเข้าไปเอามาศรหุดีๆอาน่าสอนควงชั่วก็มาศรเห็นความชั่วแล้วก็จะได้มาทาเห็นความดีจะได้มาทำไม่ผลนจากะขี้จากดีเอามาพัฒนาตัวเอง เ, เยอะแยะเลยแล้วก็มันก็เ ư ờ i ก็จริงจริงในจิงที่มันตรงกัะข้ามเปิดตันฑ์กาที่ใจเรานี้ก็ได้รีไม่รับผาตัดออกมามีสติเหมือนกับผาตัดเปิดออกมาเปิดตัวว่ามีสติก็เห็นความหลงตรงหน้าพอดีหู่ความรู้พอดีเลย ไม่รีไม่หลบกรรมฐานนเป็นการเป็นการผ่าตัดเชื่อโลกปฏิบัติลงไปเหมือนกับหมอข้อมือคือกรรมฐานที่จะต้องนักษาได้หมด เป็นโอสุตสั ก, กตวาพุทธตรังโอสะตังุงวลสัคตวาธรรมรัตนังสังฆรัตนังเป็นคุณธรรมมีอยู่กับเรานี่พุทธะคือลูต่ตืนเมืกอปานทำก็คือเปลี่ยนร้ายเป็นดีสงก็คือปฏิบัติลงไปในความไม่ดีให้มันดี ในความผิดให้มันปฏิบัติลงไปให้มันรู้ให้มันรู้แล้ลองยกมือสรางจังหวะเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีอยู่นี้เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนวัตรหรือเ่าสูงด้สังพร ะ, ะสงฆ์อย่างนี้คือปฏิบัติตดีแล้ววันหลงไม่หลงแล้วปฏิบัติตดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วตรงจริงๆความหลงกับความรู้ตรงจริงๆไม่มีไม่ต้องไปถามใคร จบได้ตรงชีวิบัติออกจากทุกข์แล้วบันทุกขห็นบรรทุกมีสติไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากทุกข์หลุดไปแล้ ว, วลงันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากหลงออกไปแล้วไกลไปแล้วอฏิบัติสมองเสมอเป็นสถาบันเป็นสถาบันทีเดียวสติปัฏฐานฐานเทือที่ตั้งไสยภูมิที่ตั้ง สถาบันคีอสติด้การเชื่อใจยังชอบธรงไม่หลงหรมีสธิไม่หล ง, ลลงเป็นทรรที่สุดสถาบันศึกษาเรื่องนี้เอาชีวิตนี้ป็นสถาบันเอาความถูกต้องเปสถาบันอย่าเอาความผิดเป็นสถาบัน เดยวว่านักศึกษาถลุงออกไปย่อยออกไปนั้นมาปนปนกันหลายอย่างเชนแร่มาปนกันอยู่ถลุงออกเดี๋ยวทำไม่ระขบเขี้ยวนีสติรู้สึกได้รู้สึกตัวสัมผัสดูให้แยบใายเลือกได้ เวลามันหลงมีสติไม่หลงใช้สติของตนในทุกโอกาสไม่ต้องขอใครขอเอนี่าจะใครเวลามาโกรธมีสติไม่โกรธไม่ต้องไปขอใครไม่ต้องไปถามใครรีบๆเปลี่ยนทันทีปฏิบัติลงไปปฏิบัติคือเปลี่ยนมันเปลี่ยนล้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูก อาใช้กงมือฐานช่วยเคลื่อนไหวคู่ฉนเข้าเหยียดฉันอกกลับมานี่มันไปที่ไหนกลับมานี่กลับมานี่พระองค์ปึกใหม่ๆก็นั่งคู่เฉันเข้านั่งเหยียดฉันอกอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีคนสักคนไม่มีเพื่อนสักคนต้องให้สะดุ้งพวาว่าเวได้ คนตกก็เปียกละ่ะคนเคยมีลูกก็จะคิดถึงลูกคนเคยมีเมียก็คิดถึงเมียคนเคยมีความสุขก็อาจะคิดถึงความสุขมีทั้งภาษาสารุนรุนแล้มันนั่งอยู่อะไรหาเหตุเอาผลหาคําตอบจากความคิดไม่ได้เอากันกระทาฐานที่ตัอ้งอยู่นี่หลุดจกตัวลงไปเอามือมาเคลื่อนไหวก็มือจรงมีจริงๆเป็นวัตถุ เดี๋ยวถุี่สมผัสได้มือยกมือผู้แข็งก็กลับมาเอามาชิดไปขาพิมพ์บางกลับมาเอากายเป็นกลุลู่เสียแล้วมันชิดถึงราหุตกลับมาลู่เสียแล้วมันเกิดจิเลตัญหากลับมาลู่เสียแล้ววงร้างเป็นความดีเปลี่ยนมาเป็นดีทั้งหมดเหมือนลูกศอนกายเป็น ของบูชาความน้อยเป็นของบูชาให้เกิดความดีขึ้นมาเหตุที่มันไม่ดีน่ะเพราะมันมีเพราะเหตุที่มันไม่ดีน่ะมันจึงมีดีเกิดขึ้นอย่าว่าปฏิวัติธรรมเหตุที่มันผิดมันจึงมีถูกเกิดขึ้นเหตุที่มันเจ็บมันจึงมีไม่เจ็บเกิดขึ้นเหตุที่มันมีความแก่มันจึงมีความไม่แก่เกิดขึ้น เหตุที่มันมีความตายจึงมีโทมไม่ตายเกิดขึ้นไปถึงสุดยอดถ้าไม่ถ้าผูกขึ้ เ, เริ่ม ต, ตั้งแต่ก้าวแ้วตั้งแต่รู้สึกตัวเวลามันหลงรู้สึกตัวเวี่ยนความหลงเป็นความรูม้สึกตัวตัวตัวผู้งนถ้าเป็นอกุศลตัวหลงตัวใหญ่เพราะมันหลงจึงโกรธเพราะมันหลงจึงโลภถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงก็ไม่โลภ พอดี ก, กันกับความรู้สึกตัวเลยตรงกันพอดีเลยเหมือน ก, นกับความมืดกับแสงสว่างเหมือนกับอะไรก็เป็นคู่แบบนี้เมา่รู้สึกตัวเป็นฐานเป็นที่ตั้งเอาไว้เป็นคำรู้สึกเลือกได้อุปการละมากอุปการละยิ่งใหญ่ พระเจ้าเปรียบเทียบทำข้อนี้อุปการะคุณเสมือนพ่อแม่ยิ่งกว่าพ่อแม่เหมือนพ่อแม่เวลาโยงกัดลูกไปต้องบอกแม่แม่เราโยงให้ด้วยไม่ต้องบอกแม่มปนหน้าที่พ่อเปนหน้าที่ไม่ให้โยงไต่ไล่ตอมเด็กขาดไม่ร่อนให้หนาเด็ดขาด <c oughs> อกอ รอบพ่ออยู่แล้วใจใส่ใจตางโรคน้อยให้ปลอดภัยนี่คืออุปการะคุณสติสมัญญาเนี่ยเหมือนพ่อแม่ว่าให้ตกเป็นที่ชั่วหรอรักษาอยู่เป็นนิด เอาเจใส่ต่อสุขภาพของลกูกยิ่งกลัวสุขภาพของตัวคอยพ้องกันดันตรายทั้งปวงไม่ให้เกิดขึ้นและไม่คิดหลังเกียรติสิทธิท่านหลังเกียรตหัอกของพ่อแม่ทุกได้ใดที่เกิดกับลกูกเป็นเรื่องของพ่อแม่ถ้าลูกร้อนแม่จะเย็ยนไม่ได้และลูกหิวแม่จะเยีมไม่ได้ ลูกดนาะไม่จะอุ่นไม่ได้ยิกทุกข์ของลูกยิ่งกว่าทุกข์ของตัว่อยป้องกันอันตรายทั้งปวกคือพ่อแม่สติเหมือนกันถ้าลงหัดสมไม่ ส, ม, ม, สมประชันจะลูกศึกตัวเล็กตายขึ้นมาไปอยู่ที่ไหนเรียงบทที่สุดบดจดว่าลูกศึกตัวดีกายก็ดูเล่กายเป็นเจ้าของกาย เวลามันใจมันคิดไป like ก็รู้จักตัวเป็นเจ้าของจิตดูแลกายดูแลจิตจนเห็นความเทศความจริงท <salty> <th> ี่เ <Italia> กิดเกี่ยวกับกายกับใจเห็นรูปเป็นนามตามความเป็นจริงแต่ก่อนการสุเรียกว่าสุขเรียกว่าทุกข์เพรเห็นเป็นรูปทมเห็นเป็นนามทำเห็นเป็นรูปเป็นนามก็เรียกว่าเป็นปิกการที่เกิดกับรูปปิฎกการที่เกิดกับนาม มันต้องมีอาการเกิดขึ้นมันมีขวงไม่เที่ยงมันไม่ความเป็นทุกข์มันไม่ใช่รัวไต้ตน้นมันก็แตกฉานไปการแตกฉานในรูปในนามนี้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัิจัยพาน ไม่ใช่แตกแขนละไปจำอันไพโนอกมันเป็นการแตกแานในการเรื่องของกายของใจจบละจบหมดละอนะไรเกิดขึ้นกับกากับใจเราจบหมดตัวพระหูสูตรตายได้เห็นหมดเป็นพระหูสูตรผ่านมาให้ลูกบทลรองหลงก็รู้แล้วไม่หลงแล้วได้เป็นความลูกเฉยแล้ว ความโกรธได้รู้แล้วไม่โกรธจนแล้วพ้นความโกรธจนแล้วมันก็อ่อนเดียวมันต้องจบที่เกิดกับลูกความน้ำมต้องจบเมื่อมันจบแล้วมันก็มันไม่ก็ไม่มีมันกันแล้วเมื่อความหลงจบไปแล้วไปแล้วอันที่ไม่หลงก็เกิดขึ้นมากบ้างมากบ้างเ ม, มือเอ่ออคศิเหล่านี่ ไม่มีมีกุศลขึ้นไปแทนกุศลอื่นก็เกิดขึ้นมามากมากจะเลื่อมากขึ้นเหมือนปลูกข้าวลงดินเสร็จแล้วแล้วก็งามขึ้นไปเลยคัวมันเจริญก็ขึ้นไปโตวันโตเดือนโตปีขึ้นเลยเหมือนกระต้นว่าที่เราปลูกไว้โตขึ้นปีนี้ก็โตขึ้นหัวเผือกหัวเหมือนที่ปลูกไว้ในดินก็โตขึ้นโตขึ้น มีคุณภาพขึ้นไดไมน้มากขึ้นมากขึ้นวันเดือนปีผ่านไปเท่าไหร่ก็โตขึ้นเรื่อยๆไปงอกงามขึ้นเลยเป็นมืกเป็นผลชีวิตเราเป็นอันนี้เกิดมาเพื่อกาอนนี้มีรูปมีนามใช่เกิดมาเกิดผลถ้าไมาใช้ไม่หัดมันก็ไปสุนรบาย ถ้าหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธไปสู่อาบายแนย่นอนมกับขนโคมากกวัวเขาโคก็หลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธไปสู่อาบายเท่ากับขนของโคมากไปสู่สวรรค์นิพพานเท่ากับเขาโคน้อยน้อยเท่านั้นเอง น้าหลงเป็นลูกทุกเป็นลูกโกดเป็นลูกอะไรมาเป็นลูกไวสู่วบ่เท่ากับเขาโคสองขาเท่า น, นั้นเองไ้สู่สวรรค์ น, นิพพานเท่ากับขนโคมันแยกกันตรงนี้แยกกันโดยทางปฏิบัติไม่ชโยกแก้กันด้วยการชาติชั้นวันนละลัทธินิกายเพศวยัยศาส า, าใดไม่ไม่ใช่ แยกกันเพราะเปลี่ยนความรอดเป็นคนดีปฏิบัติทรรมเนี่ยสัจหายก็มีกายมีใจนี่เป็นรูปเป็นนามนี่หอมก็มีเหมือนกันร้องกรก็เหมือนกันทุกคนที่เป็นรูปเป็นนามร้องหลงเหมือนกันยิึดตัณหาเหมือนกันหมดเกิดเจยเฉตามกันหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันหมด <c oughs> ไข่คมีอะไรมาช่วยพระเจ้ามาช่วยลองงอมือม่อท่มักวใจเจ้าจริงก็คือทำมมนม่ความาเป็นใหญ่คือทำนีแล้วก็จบเมื่จบบาทีมันมันแรกมันหลง่าไม่หลง ไปขึ้นไปเทนความหลงก็จบความหลงก็จบไปองไม่หลง ก, ก, ก, ก, ก, ก็งามขึ้นงามขึ้นงามขึ้นเป็นมรรคเป็นผลความทุกเวลามีความรู้สึกตัวเปลี่ยนทุกข์เไม่ทุกข์ขึ้นมาความมุขของงามขึ้นงามขึ้นเป็นมรรคเป็นผลโอ้มันก็ตรงกันข้ามอย่านี้ การเรียนจบได้เป็นพระหูสูตรได้แปดมื่นสีพันเรื่องเกิดขึ้นที่รูปที่นามนี้เหมือนกันหมดแต่เราไม่ดูเลยไม่ศึกษาเรื่องชีวิตเรื่องการเรื่องใจทั้งรูปนามไม่มีธรรมไม่มีตาภายในไม่มีวิธีปฏิบัติก็อ ไปกยคนราพบเราภูมิไปแม่ตัวเราก็เพิ่งตัวเราไม่ได้นีกายก็ใช่กายผิดมีใจก็ใช่จิตใจผิดผิดแล้วผิดอีกทุกแล้วทุกอีกโกรธแล้วโกรธอีกก็เลยปิดบังมักผลนิพานไปเลยมืดมามืดไปมืดอยู่มืด ตลอดพบตลอดช็อตมามืดสิปียสิบปีก่อนนั่นหลงเหม น, นี่มาสวางมามืดไปสว่างมันก็ทำได้ายสว่างเอาความหลงว่าเป็นความรู้จ้เคยหลงก็เคยหลงมากก็ได้พบได้ประสบการณ์ได้บทเรียนมาก อาจจะไวกว่าคนที่หลงน้อยยับก บ, บาบตายเช่นพระเช่พระพระอะไรพระนะพระองค์คิมานห <c oughs> ลงมาเสื่ค่าคนขอได้ยนินธรรมที่ออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้า ข้อหนึ่ง <lifespan> ยังพอสังสาเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดยังถือดอกใบฟันเราหยุดเราหยุดแล้วไม่ทําชั่ว <economical> ท <one gunt atte> ําบาปแล้วเธอยังไม่หยุดเรหยุดอะไรยังวิ่งอยู่เราหยุดทำความชั่วเธอยังไม่หยุดเลยได้ยินขั้นที่สองขั้นที่สามไปมันก็เหมันกับมันกัดทุบ ใจแค่นอ้อยถูถึงขึ้นมานะกับตะบัดไปเลยจาบมูถือดอกเทียนแทนี้ไรเสียใจแทนทีไรบ้างนะนอนหมู่ด้ า, าใสแพ่นดินเลยโอ้ยเกิดมาจนปานน่านนี้หนาไม่เคยได้ยินคบพูดจากนี่จะเป็นใครหนาพูดดีเนาะ โอ้คือว่าได้ยินว่าศิทธิ์ธาออกวดโอรสของพระเจ้าสุทธัตลาที่ว่าได้ตัดทุกพระเจ้าจะเป็นตัวนี่ละมั้งนานเหลือเกินจึงได้ยินครับผู้ใหญ่กับตาลบาทธรรที่ไรที่เดียวถึงเป็นงานใหม่ชีวิตใหม่ขึ้นมาพอปล่อยปฏิวัติธรรมพอปวดปฏิบัติมันก็ถึกแต่ ความคิดเดิมหมๆทิ่มแทงกิจใจเคยฆ่าเคยทำหลายคนลองให้เสมอเจ้าก็ไปโปรดไม่เป็นไรองค์ขรรค์เลยปผมวัดโตผมวัดเฉยฉุดเจอจูเพิ่งมาจ่าโกรุพลัสสองวะสีคัสโศยะติสุเมธสทสโศอุก่อนเมื่อประบาดได้การก่อนไปหลักไม่ประหมดเหมือน พอหลังไฟฟาสว่างแล้วเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆพระจันทร์พ้นจากเมฆแต่ก่อนเมฆปิดบังอยู่ไม่เห็นอะไรเลยวันนี้พระจันทร์พ้นจากเมฆสว่างสว่ขึ้นมาเห็นไปได้เราก็เรามีติมีกรรมฐาน อาการมเป็นอุปกรณ์ผลิวความรู้หใจว่าเป็นอุปกรณ์ผลิวความรู้ความหลงความนนโกรธความโลภความเมื่อยถึงตาเอามาเป็นเครื่องผิดความรู้เปลี่ยนเป็นความรู้ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปวันเหนือจะได้เปลี่ยนหลายข้างหลายหนไม่ด้านว่าจะอย่าไปนั่งหลับอย่าไปให้มันไหลไปความคิดอย่าเข้าไปอยู่ในความผิดเคยมีลูกก็คิดถึงลูกไปเคยมีเบียรมีผัวคิดถึงผัว เคยมีความโกรกเรื่องความโกรเคยมีความลักเห็นความลักเคยได้ยินเหมือนกันสอนท ร, ร ม, มาเนี่มีครูคนหนึ่งมาจากปุลิลอมอ่โบมาปฏิบัติธรรมก็หลวงพ่อหนูมีลูกสองคน หนจเรื่องลูกไหวไหมเนี่ยถ้าทำเพราะคิดแต่ลูกาสามีตายไปอุบัติเหตุนั่งรถชนกันตายอย่งคิดถึงสามีตายจะคิดถึงลูกจะเรื่องลูกยังงจะยัไงคิดถึงบุญเวียนอยู่นั่นพอมาปฏิบัติก็ฉายออกมาเลยเออช่วงนี้มาใช้มาคิดถึงลูก มาให้มีสติเช่ก่อนลูกก็อยู่บวานอยู่กับตากับยายให้มาเจริญสติให้ลูกเวลามาคิดไปถึงลูกให้กลับมาลูคิดถึงสามีให้กลับมาลูอย่าไปความคิดเป็นความผิดพ่อปเปลี่ยนมาเป็นความรู้เปลี่ยนมาเป็นความรูนมนม้นี่ไม่เปลี่ยนใบบวยอ๋ อ, เ, อเปลี่ยนใบบวย มันคิดไปหาสามีเขามาลู่สามคิดถึงจู้เขามาลู่สาได้ความรู้จากความหลงเสมากมากความม า, มาขึ้นว่าให้ทำอย่างนี้อย่าเอาจริงที่นํามาเริ่มจินหัวงการบางทีคนก็บอกว่าวงคนเกิดชิเลตต์ตหามีกิเลตต์ตหามากปฏิบัติไม่ได้นั่นแหละยิ่งดีบอกให้เลือกสุบุรีเลือกไว้ได้นั่นแหละมันดีถ้าปฏิบัติ มันอยากสูบแล้วก็ไม่สู่ตรงกันข้ามมือนกับหน้ามือเรามันเปลี่ยนมันมันอยากสู่แตคิดเตื่อไม่สูบกูไม่สูบมึงอยากสูบกูไม่สูบในจชีงอหญ่เข้มแอยาอ่อนเอออย่ า, ออยาังม่วงตื่นขึ้นมาตรงกันข้ามอ่ อ, อ, อนเข้มแข็ง ข, ข, ข, ขึ้นมาหลับมันตื่นขึ้นมาช่วยได้ chứ หาวิธีต่างเลย ยืนเดินนั่งนอนคู่เหยื่อเคลื่อนวันมองเสงท้องฟ้ามองทิศมองทางมองเวลาทิศเหนือทิศตะ อ, ออกไปเจ้าหาวิธีทุกอย่างมาเกิดขึ้นมาให้มันตื่นขึ้นมาเราบางง่วงก็จะไปหลับขึ้นมาได้ไุกตน้กตนสอตนตุนนี่นเยอะแยะกรรมฐานนี่อุปกรณ์ที่มาใช้ใเกิดความรู้มากมายไม่จนแน่นอน อย่าไปจนประาคามหลงเฉยๆก็จนถ้าไม่ฝึกไม่มีทางเดีกด่าพระสาข้อมโกรกจนแล้วถ้ากูดได้โกรตายไม่ลืมจนขนาดนั้นก็มีจนไม่ลืมแล้วก็ูไม่ฆ่ามันก็ยอมจนจนฆ่ากันตายบางคนก็เสียใจทีหลังอ๋อไม่เคยฝึกมันก็ สายเกินแต่เราก็เจอยมไม่ได้เจิผิดเกิดผ้ามาทดลองไม่ได้กายใจเนทด ล, ลองให้มันโกรธก็ก็ก็ติดของโกรธจึงแล้วทดลองให้มันทุกข์ก็ติดทุกข์จึงแล้ย่าไปทดลองไม่ใช่วัตถุเจ้าของเช่นมือทดลองตัดดูสิว่าขาดไปแล้วเอามาต่อไม่ได้ไม่ใช่ทดลอง ทลองในความชั่วกินเหล้าดูสิจุีดูสิจุบิดนดูสิแล้วก็มาชาใช่แล้วก็เป็นอย่างนั้นกายใจเนียมันเป็นเลือดแตมโคนิโคตนจะไปจิงิตติดยาเสพติกเป็นนิโคตินเสพติดงั้นก็ทดลองไม่ จิตใจก็เป็นนิสัยได้โทช า, าจริตโมหะจริตลาข้าจริดถ้าใช่มีเป็นก็เป็นจริตติดไปเอาความหลง อ, อกหน้าเอาความพอใจเอาขวดของโล ก, ออกหน้าไม่มีเมตตาขนานเลยเราจะมงัดเพราะมั น, มนรู้มัน ทำลายอากุศลหมดไปก็มีเมตตากเกิดขึ้นเแทนแผ่นดินลาบเรียบเรียบเหมือนชีวิตปูพมรมจิตใจประกอบด้วยเมตตาผู้จิตใจประกอบด้วยเมตาธรรมิใจประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อด้านและฝางในเพื่อนมนุษย์ในสรรพสิง่งช่วยเมตตินเมตเหวี่ยงสาช่วยทุกสิง่ง จนได้ประกาศว่าไม่ปเปลีปป่ยนตนไม่เปลี่ยนสิงอื่นวัตถุอื่นแล้วก็ทําลงไปจริงๆคนไม่ปเปลี่ยนตัวเองคนไม่ปเปลี่ยนคนอื่นก็น ไ, ม, นนไ ม, ม่โอกาสทําความดีที่คิดดีพูดดีนั่งอยู่นี่ก็ทำความดีนอนอยู่นี่ก็ทำความดีเมตตาไปนอนหลับสบายตื่นก็ชื่นไม่ฝันลย้ยไม่สะดุง้งมีธรรมมีศีลรักษา เอาอย่างนี้นะอันนี้สมของการฝึกตนสอนตนสมงขวรใจเวลากับพระพ่อมกัน